ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำภีร์ชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรคิตาจารย์ชาวสีลังการตนาต่อไปจะเป็นการพรรณนาสมบัติของพระโพธิสัตว์ผู้ดำรงอยู่ในคารวาสวิสัยบัดนี้พระพุทธรคิตาจารย์เมื่อจะพรรณนาพระสิริราชสมบัติ ของพระโพธิสัตว์นั้นจึงกล่าวว่าพระสิทธะนั้นทรงเจริญพระชนส า, าในราชตระกูลที่เจริญดุจพระจันทร์เต็มดวงตามลำดับการทรงอุทัยขึ้นมาด้วยผลแห่งบุญดุจ ด, ดวงพานุมาท่ามกลางท้องฟา้าผู้ทรงสมปรารถนาแล้วทรงได้เจ้าหญิงยาโสธราเป็นพระเทวีทรงมีพระสนมสี่มื่นนางแวดล้อม ใครเนาะช่างมีบุญมากขนาดนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้พระองค์ติดในราชสมบัติเหล่อนั้นเลยพระสิทธัตถานั้นทรงสวยความสุขอันเป็นราชสมบัติที่น่าอัศจรรย์ที่น่าอาัศจรยาาศจรย์และน่าพิศวงหลุดเทพระบุตเสวยทิพยสุขในปราศาส์อันเรื่อนรมงดงามสมควรแจกฤดูทั้งสามในคาถานั้นมีอธิบายว่าพระสิทธัตถกุมารนั้น ทรงเจริญพระชนสยาอยู่ในศากยัตระกูลที่เจริญแล้วด้วยโภคสมบัติและอิสริยยศดุจพระจันทร์เต็มดวงตามลำดับการจนถึงวันอุโบสถสิบห้าค่ำแล้วทรงมีอะไรอีกคือพระองค์ทรงอุทัยขึ้นมาด้วยผลแห่งบุญของพระองค์ดุจ ด, ดวงพานุมาตรทอแสงอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าทรงสมปรารถนาแล้ว คำว่าเครสุในปราศาสติคือในปราศาทตสามหลังในเรื่องนั้นมีคาอธิบายตามลำดับต่อไปนี้ดังต่อไปนี้พราหมณ์ทั้งหลายผู้ทำนายพระลักษณะได้เห็นพระลักษณะของพระสิธทธัตถะกุมารผู้ได้รับการขนานพระนามอย่างนี้แล้วพากันพยากรว่าพระกุมาร น, นี้จกออกบวชตัสรุเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นพระเจ้าสุทโธธนมหาราช ตรัสถามว่าโอรสของเราเห็นอะไรเข้าจึงจักออกบวชพวกพราหมณ์ผู้ทำนายพระลักษณะกราบทูลว่าทรงเห็นนิมิตสี่ประการคือคนแก่คนเจ็บคนตายและบรนประชิตแล้วจักเสด็จออกผนวดพระราชารับสั่งว่าตั้งแต่นี้ไปท่านทั้งหลายอย่าให้นิมิตเห็นปานนี้เข้ามายังสำนักแห่งโอรสของเราแล้วโปรดให้จัดอารักขาไว ในทิศทั้งสี่ห่างจากสำนักพระโพธิสัตว์ทิศละหนึ่งขาวุธก็คือสี่กิโลเมตรนะสี่ขาวุธก็เป็นหนึ่งโยธ์ก็คือสิบหกกิโลเมตรเพื่อห้ามคนแก่เป็นต้นเข้ามาสู่สายตาก็คือสายพระเนตรของพระกุมารก็ในวันนั้นฝ่ายพระญาติแปด0มืนตระกูลซึ่งประชุมกันในสถานที่มงคล พระยาแต่ละพระองค์ได้ทูลปฏิญญาถวายพระโอรสท่านละหนึ่งองค์ด้วยดำรัสว่าพระกุมารนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นพระราชาก็ตามพวกข้าพเจ้าขอถวายโอรสคนละองค์ถ้าพระกุมารจักตรรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จักมีขัตติยะสมณะคอยแวดล้อมจาริกไปถ้าจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จักมีขัตติยกุมารคอยแวดล้อมตามเสด็จไป ในครั้งนั้นพระเจ้าสุโธธนะมหาราชได้พระราชทานพระพี่เลี้ยงนา น, นม64นางผู้ปราศจากโทษทั้งปวงสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติอย่างยิ่งแด่พระมหาบุรุษพระโพธิสัต์ทรงเจริญพระชนศาด้วยเครื่องบริหารไม่มีที่สุดด้วยสิริสมุทัยอย่างใหญ่หมายถึงสิริความรุ่งเรืองอเกิดขึ้นแล้วอย่างใหญ่ต่อมาวันหนึ่ง ได้มีพระราชพิธีวับ ป, ปะมงคลวันนั้นพระเจ้าสุดโทธนามหาราชเสด็จออกจากพระนครกับบริวารจำนวนมากด้วยพระสิริสนายิ่งใหญ่ทรงพระทรงพาพระโอรสเสด็จไปด้วยณนะสถานที่จดพระนังคันก็คือสถานที่แรกนาขันมีต้นว่าต้นหนึ่งมีเงาทึบร่มเย็นหน้ารือนรมทรงให้ปูลาชที่บันทมสำหรับพระกุมารภายใต้ต้นว่านั้น ผูกเพดานผ้ากั้นผ้ามา่านให้พระโอรสบรรทมในที่นั้นให้พระพี่เลี้ยงนางนมดูแลแ ล, แล้วพระองค์ได้เสด็จไปยังสถานที่จดพระนางคันในสถานที่จดพระนางคันนั้นพระเจ้าสุโธธนะมหาราชทรงถือพระนางคันทองก็คือไถนะอันเป็นมงคลอย่างยิ่งพวกอมาตเป็นต้นถือหางไถเงินเป็นต้น ในวันนั้นประกอบพระราชพิธีจดพระนางคันพันหนึ่งพระพี่เลี้ยงนางนมนั่งแวดล้อมพระโพธิสัตว์ต้องการจะดูพระราชพิธีจดพระนางคันจึงพากันออกมาภายนอกมา่านลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ทรงแลดูทางโน้นทางนี้ไม่เห็นใครๆจึงพันลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิกาหนดลมหายใจเข้าออก ยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นตอนนี้ก็มีพระชนเพียงเจ็ดพระชนศารนะแต่ว่าสามารถที่จะเจริญปฐมฌานได้ชานหนึ่งแล้วพวกพี่เลี้ยงนางนมเที่ยวเตรไปหาของเคี้ยวของบริโภคชักช้ากันอยู่ระยะหนึ่งเงาของต้นไม้อื่นคล้อยเลยไปส่วนเงาของต้นว่าต้นนั้นยังเป็นปริมณฑลแผ่อยู่บริเวณ น, นั้นนั่นเองพวกพี่เลี้ยงนางนมคิดว่า พระลูกเจ้าทรงอยู่เพียงลำพังพระองค์จึงรีบกลับมาโดยเร็วยกม่านขึ้นก็เห็นพระกุมาร น, นั่งขัดสมาธิอยู่บนที่บรรทมและเห็นปาปิหารนั้นจึงพากันไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระเจ้าสุโทธนะมหาราชรีบเสด็จมาทรงเห็นปาปิหารนั้นแล้วทรงไหว้พระโอรสตรัสว่าลูกพ่อเอ๋ยนี้พ่อไหว้ลูกเป็นครั้งที่สอง ในการต่อมาพระมหาบุรุษท ร, ทรงเจริญพระชนสาตามลำดับมีพระชนส่าได้สิบกพรรษาในครั้งนั้นพระเจ้าสุโธธนะมหาราชโปรดให้เชิญนายช่างสร้างเมืองนายช่างปั้นอิในายช่างจิตรกรแกะสลักแผ่นหินมารับสั่งให้สร้างปราสาทเพื่อเป็นสถานที่ประทับของพระมหาสัตร์ใ์นช่างเหล่านั้นก็เริ่มการก่อสร้างนวกรรมตั้งแต่บัดนั้น ได้สร้างปราสาท9ชั้นสำหรับประทับในฤดูเหมันคือฤดูหนาวปราสาท5ชั้นสำหรับประทับในฤดูคิมหันก็คือในฤดูร้อนปราสาท7ชั้นสำหรับประทับในฤดูวสสันก็คือฤดูฝนปราสาททั้งหมดส่วนยาวส่วนกว้างและส่วนสูงมีขนาดเท่ากันแต่ชั้นต่างกันเท่านั้นก็ปราสาทในฤดูเหมันพื้นแคบอากาศดี ปราสาทในฤดูคิมหันจักกว้างปราสาทในฤดูวัชันต่างจากปราสาททั้งสองก็ทำให้มีอาการดีพวกนายช่างได้ทําบานหน้าต่างและประตูเป็นต้นติดลูกกลงไว้ในปราสาทเก้าชั้นสนิท ด, ดีในปราสาทห้าชั้นไม่สนิทเท่าไหร่ในปราสาทเจ็ดชั้นก็สนิท ด, ดีส่วนหนึ่งไม่สนิท ด, ดีส่วนหนึ่งพวกช่างจิตรกร ก, รก็ทําลวดลายในปราสาทเก้าชั้น ติดตั้งคบไฟเป็นต้นไว้ที่ฝาเสาก็คือเขียนรูปคบไฟเพื่อจะให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นในฤดูหนาวนะและกระดานมุงเป็นต้นติดตั้งอุปรก็คือบัวสายกุมุุิบัวขาวบัวที่มีกลีบดอ ก, 100กร้อยกลีบบัวจงกร ะ, ะจงกนีและบัวเผืนเป็นต้นไว้ที่ปราสาทห้าชั้นติดตั้งของประดับเจือกันทั้งสองอย่างไว้ที่ปราสาทเจ็ดชั้น ให้มีบัวมีสะบัวในประสาทฤดูร้อนจะได้มีความรู้สึกว่าร่มเย็นร่มรื่นชื่นบานแต่ว่าในประสาทฤดูฝนก็มีทั้งไฟมีทั้งสะบกธรรมนีดอกบัวค่าคล้ากันไปติดตั้งเพดานแผ่นผ้าขนสัตว์และผ้าไหมเนื้อละเอียดอ่อนให้ไออุนติดรูปดาวทองแก้วมณีและเงินประดุดจะคลายพวงของหอมพวงดอกไม้ที่ห้ยอยย้อย รุ่งเรืองด้วยแสงสว่างต่างๆในปราสาทเก้าชั้นและวงด้วยผ้าม่านงดงามคลิกทองในปราสาทห้าชั้นให้ติดตั้งเครื่องปูาลานละเอียดอ่อนอันให้ความเย็นและติดเพดานด้วยผ้าม่านในปราสาทเจดชั้นให้ติดตั้งของประดับเจือกันทั้งสองอย่างไว้ให้อากาศพอดีก็คือถ้าปราสาทฤดูหนาวนี่ก็ต้องการความอบอุ่นเพราะฉะนั้นก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเกิดความอบอุ่นแม้กระทั่งมีรูปภาพและมีเปลวไฟ ให้รู้สึกอบอุ่นราะในปราสาทฤดูร้อนก็มีทุกสิ่งทอย่างเพื่อเอื้ออำนวยที่จะทำให้เกิดความเย็นแล้วก็ท้งรูปภาพก็มีพวกน้ำพวกบัวพวกอะไรต่างๆแต่ว่าในประสาทเจ็ดชั้นก็มีคราบอันทั้งสองอย่างรอบๆปราสาทห้าชั้นสร้างมนดบชมแสงจันไว้ทั้งสี่ทิศฝังเสาไม้ตะเคียนบนมนดบถึงเพดานมีผ้ามากไม่มีไม่มีที่อื่นเหมือน ที่หลังปราสาทให้อยตาข่ายกระดิ่งเล็งเสียงไพเราะครอบงำเสียงกึกก้องแห่งทิพยพยสังคีตประกอบด้วยองค์ห้าเป็นนิดท่ฏิ์ทั้งสี่แห่งปราสาทห้าชั้นให้สร้างสระโบครณีดารดาษด้วยบัวห้าชนิดบริบูรณ์ด้วยน้ำเย็นรถจืดใสสะอาดบริสุทธ์สีคล้ายแก้วมณนีกาสจากตะกรหมูที่ชาชาตมีนกหงนกเป็ดน้ำและนกจาบปลาเป็นต้น บินขึ้นจากสระโบขรณีทางด้านทิศปราจีนก็คือทิศตะวันออกส่งเสียงร้องอย่างไพเราะแข่งกันพากันบวยบินผ่านยอดปราสาท party, แล้วบินลงยังสระบขรณีด้านทิศปัดฉิมนคือทิศตะวันตกหมู่ที่ชาชาติบินขึ้นจากสระโบขรณีทางด้านทิศปัดฉิมนั้นแล้วก็ส่งเสียงร้องบินลงยังสระโบขรณีด้านทิศปราจีนอย่างนั้นเหมือนกัน มูที่ชาชาติบินขึ้นจากสร ะ, ะโบขรณีทางด้านทิศทักษิณทิศใต้ท่งถึงร้องบวยบินผ่านยอดปราสาทไปลงยังสระโบขรณีทางด้านทิศอุดรก็คือทิศเหนือบินขึ้นจากสระโบกรณีทางด้านทิศอุดร น, นั้นไปลงยังสระโบขรนีด้านทิศทักษิณก็ในปราสาทนั้นก็คือปราสาทฤดูขิมหันรูร้อนถึงเพดานทองมีช่องเล็กๆใช้เครื่องยนต์บรรจุน้ําจากสระโบขรณี จนเต็มแล้วก็พ่นน้ำในสีทิศก็มีน้ำพุด้วยนะเนื้อเพดานละอองน้ำพ่นออกจากช่องเล็กๆดุดละอองน้ำฝนตกลงมานะก็ไปทำไว้บนเพดานนะให้มีละอองน้าเล็กๆโปรยมาจะได้รับความเย็นบนเพดานทองก็ขึงหนังกระบื้อแห้งห้อยลงมาที่พื้นแผ่นหินในปราสาทนั้นหนังกระบื้อแห้งนั้นมีเสียงดุดเมฆคาราม ปราสาทนั้นได้เป็นเช่นกับเมฆด้วยประการชนีดรอบปราสาทสามหลังปักธงเป็นแถวหลายพันรุ่งเรืองด้วยผ้าหลากสีเรียรายไปด้วยธงทองเป็นต้นยอดภัยธีต่างๆสีหบัญชร้มประตูที่พื้นหลายชั้นโปร่งแสงและแนวกำแพงเจ็ดชั้นกอโบอกฉาบด้วยปูนขาวหนาและสูงในปราสาททั้งสามหลังนั้น ในบรรดาปราสาททั้งสามหลังนั้นประสาทเก้าชั้นชื่อว่ารัมมาประสาทห้าชั้นชื่อว่าสุรัมมาประสาทเจ็ดชั้นชื่อว่าสุภารัมมาก็คือรื่นรมน่ารื่นรมสุรัมมาก็รื่นรมอย่างดีสุภาก็สวยงามเมื่อประสาทสามหลังนี้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนี้พระเจ้าสุโธธนะมหาราชทรงดาริว่า โอรสของเราจเจริญวัยแล้วเราจะยกสเสวติตฉัดให้เธอแล้วได้ชมสิริราชสมบัติก็หวังอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าจะได้ชมจักรพรรดิสมบัติของพระลูกเจ้านี่นะของพระโอรสพระองค์จึงส่งข่าวสารไปถึงขัตติยวงศักยะทั้งหลายแจ้งให้ทรงทราบว่าพระโอรสของเราทรงจเจริญวัยแล้วเราจะทรงสถาปนาพระโอรสไว้ในราชสมบัติ ขอให้เจ้าศักยะทั้งปวงจงทรงจงทรงส่งพระธิดาผู้เจริญวัยแล้วในวังของตนมาเจ้าศักยะเหล่านั้นได้ทรงทราบข่าวสารแล้วก็ทรงส่งข่าวสารทูลตอบมาว่าพระราชกุมารมีพระรูปงามอย่างเดียวแต่ไม่ทงรงทราบศิลปศาสตร์อะไรย่อมไม่สามารถจะทรงชุบเลี้ยงพระในเหตีได้พวกข้าพระองค์จะไม่ยกธิดาให้พระราชกุมาร พระเจ้าจุโทรธนะมหาราชทรงทราบข่าวสารนั้นแล้วทรงบอกให้พระโอรสทราบ พ, พระมหาบุรุษตรัสว่ามอมฉันจะมอมฉันควรจะแสดงศิลปะอะไรพระพระบิดาก็ตรัสว่าควรจะยกธนูที่ต้องใช้กำลังบุรุษพันคนยกสิรูกเอ๋ยสสธาธรรมะธนูนะ ส, สาธาธมะธนูหมายถึงธนูพันแรง พระมหาประโยกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นขอเสด็จพ่อจงรับสั่งให้คนนำธนูนั้นมาทรงให้นำธนูมาแล้วทรงประทับนั่งขัดสมาธิทรงคล้องหัวสายธนูที่นิ้วแม่พระบาทโน้มธนูขึ้นด้วยนิ้วแม่พระบาทนั่นแหละทรงใช้พระหัตถ์ซ้ายถือคันธนูแล้วขึ้นสายธนูด้วยพระหัตถ์ขวาทั่วทั้งพระนครก็เป็นประดุจจะสะท้อนขึ้น และมีประชาชนถามกันว่านั่นเสียงอะไรก็ตอบกันว่าเมฆฝนคำรามในขณะนั้นพวกคนอื่นจึงบอกว่าพวกท่านไม่รู้ไม่ใช่เมฆฝนคำรามนั่นเป็นเสียงดีสายธนูของพระอังคีรัสกุมารพระอังคีรศซึ่งทรงยกธนูที่ต้องใช้กำลังของบุรุษพันคนยกแล้วทรงดีสายธนู เจ้าสักกญติทั้งหลายได้ทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงมีพระไัยโสมนัสยินดีใช้บุุษพันคนยกนะธนูใหญ่มากแต่ว่าพระโพธิสัตว์ก็ใช้หัวแม่เท้าเกี่ยวสายธนูแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็จับด้วยพระหัตแล้วก็ดีดสายธนูนะธนูนั่นก็มีเสียงดังไปทั่วเมืองเลยในครั้งนั้นพระมหาบุรุษตรัสถามว่าข้าพระองค์ควรจะกระทำอะไรต่อไปพระเจ้าสุโธาณมหาราชรับสั่งว่า ควรจะเอาลูกธนูยิงเจาะแผ่นเหล็กหนา8องค์คู่รี8นิ้วพระมหาบุรุษทรงยิงทะลุแผ่นเหล็กนั้นแล้วตรัสว่าควรจะทำอะไรอย่างอื่นอีกพระเจ้าสุโธธนะมหาราชตรัสว่า mm hmm. ควรจะยิงทะลุแผ่นกระดานไม้ประดูหนา4นิ้วพระมหาบุรุษทรงยิงทะลุแผ่นกระดานนั้นแล้วตรัสว่าควรจะทำอะไรอย่างอื่นอีกพระเจ้าสุโธธนะมหาราชตรัสว่าควรจะยิงทะลุแผ่นทองแดงหนา1คืบ พระมหาบุตรก็ยิงทะลุแผ่นทองแดงหนาะหนึ่งคืบนั้นแล้วก็ตรัสว่าควรจะทำอย่างอื่นอะไรอีกพระเจ้าข้าแต่นั้นพระเจ้าสกยะพวกเจ้าสกยทั้งหลายก็ตรัสว่าควรจะยิงเกวียนบรรทุกทรายพระมหาสัตว์ทรงยิงทะลุเกวียนบรรทุกทรายร้อยเล่มบ้างเกวียนบรรทุกทรายฟางเกวียนบรรทุกฟางร้อยเล่มบ้างทรงยิงลูกศรไปในน้ำไกลประมาณอึง่งหนึ่งอุสภะ ทรงยิงลูกศรไปในน้ําไกลประมาณหนึ่งอุสภะบนบกไกลประมาณแปดอุสภะในครั้งนั้นเจ้าสกยะทั้งหลายตรัสกับพระโพธิสัตวว่าควรจะยิงขนท่ายที่ผูกไว้ที่ผลมะอึกก็คือผลคล้ายๆมะเขือนะพระมหาบุรุษรับสั่งให้เอาขนท่ายผูกผลมะอึกไว้ในที่ไกลประมาณหนึ่งโยศซึ่งตาปกตินะพระเนตรปกติของพระโพธิสัตว์นี่ก็มองเห็นในตอนกลางคืนนะในระยะหนึ่งโยศ แล้วทรงยิงลูกศรไปในพิศที่ปิดปังด้วยกลีบเมฆในความมืดแห่งรัตติกาลลูกศร น, นั้นพุ่งไปพาขนทรายในที่ไกลประมาณหนึ่งโยต์แล้วพุ่งลงแผ่นดินมิใช่แต่เพียงเท่านี้ในครั้งนั้นพระมหาบุุษทรงแสดงศิลปะที่ใช้กันอยู่ในโลกทุกอย่างเลยมีศิลปะอะไรความสามารถอะไรพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็แสดงหมด ครั้งนั้นเจ้าสักยะทั้งหลายตามประดับตกแต่งที่ดาของตนของตนแล้วทรงไปถวายที่ดาเหล่านั้นจํานวนสี่หมื่นนางได้เป็นนางสนมนาฏศิลป์ก็คือนางฟ้อนส่วนเจ้าหญิงยโสธราเทวีมารดาพระราหุนได้เป็นพระอัครมเหสีบรรดาสตรีเหล่านั้นประจำอยู่ในปราสาทหลังละหนึ่งหมื่นนาง เป็นบริวารของพระนางยโสธราเทวีหนึ่งหมื่นนางรวมทั้งหมดเป็นสี่หมื่นนางนะก็ยังไม่เท่าทาศกานะทาศกะนั้นยี่สิบห้าโกดสองโกดครึ่งสองโกดครึ่งแต่ก็ทำให้ติดภัวพันธเหมือนกันนะของพระโพธิสัตว์นี่ไม่ติดในการนั้นเจ้าสักยะทั้งปวงมีพระเจ้าสุทโทธนะมหาราชเป็นประธาน ประชุมกันแล้วโปรดให้ยกเสเวตฉัตรของมนุษย์ถวายพระมหาบุรุษอภิเตกมอบราชสมบัติให้กระทำงานมงคลฉลองปราศาสตครั้งนั้นพระมหาบุรุษแวดล้อมด้วยสตรีมนุษย์สาวรุ่นดุจเทพกุมารและดุจเท้าส ก, กเทวราชแวดล้อมด้วยนางเทพธิดาวัยรุ่นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีทั้งหลายอันไร้บุรุษตรงสเสวยมหาสมบัติประทับอยู่ในปราศาทตสามหลังนั้น ตามวาระแห่งฤดูกาลก็ผลของบุญที่บำเพ็ญบา ร, รมีมาเสียสงไขแสงกลับตอนนี้ก็ให้ผลในการที่จะบำรุงบำเรอตอนที่เป็นพโพธิสัตรก่อนนะภายหลังวันหนึ่งพระโพิษัตร์ทรงประสงค์จัดเสด็จไปยังภูมิประเทศพระอุทยานจึงรับสั่งให้ในายสารถีเทียมรถนายสารถีรับสนองพระราชดำรัสแล้วจึงจัดเทียมม้าสินทพสีดอกโกมุตสี่ตัว ที่รถซึ่งสร้างขึ้นด้วยรัตนเจ็ดประการแล้วกราบทูลให้ทรงทราบพระมหาบุุษเสด็จขึ้นรถคันงามดุจ ด, ดังเทพวิมานเสด็จบายพระพักไปยังพระราชอุทยานในครั้งนั้นเทวดาทั้งหลายต่างคิดกันว่าใกล้เวลาที่พระสิท ธ, ธัตถกุมารจะตัดสรู้แล้วพวกเราจะแสดงบุพนิมิตแก่พระองค์แล้วจึงแสดงเทพ บ, บุตรตนหนึ่งแล้วจึงแสดง แค่ประบตุตนหนึ่งก่แปลงเป็นคนแก่ร่างกายค่ำคลา้าพระชะราฟันหักผมหงอกหลังงองุม้มถือไม้เท้างกงกเงินเงินกระสับกระส่ายหมดความหนุ่มแน่นกำลังเดินมาพระโพธิสัตและนายสารถีตางก็เห็นคนแก่นั้นพระโพธิสัตครั้นทอดพระเนตรเห็นคนแก่นั้นแล้วจึงตรัสถามว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้ เส้นผมและร่างกายของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นในสารถีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนชราพระโพธิสัตว์ก็ตรัสต่อไปว่าสหายสารถีทําไมเขาจึงชื่อว่าเป็นคนชราละ่ะในสารถีก็ทูลว่าผู้นี้ชื่อว่าคนชราเพราะเวลานี้เขาจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานพระเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าสหายสารถี ถึงเราเองก็จะต้องแก่เท่าเป็นธรรมดาหนีความแก่ไม่พ้นกระนั้นหรือนายสารถีก็ทูลอีกว่าทั้งพระองค์และพวกข้าพระองค์ล้วนต้องแก่เท่าเป็นธรรมดาหนีความแก่ไม่พ้นพระเจ้าข่าพระโพธิสัตว์ได้สดับคําของนายสารถีนั้นแล้วทรงดําริว่าอันความเกิดช่างน่ารังเกียจนะักเพราะคนที่เกิดแล้วต้องแก่ทรงมีพระทัยสังเวช ทรงละความโมเมาในความเป็นหนุ่มสเสด็จกลับจากสถานที่นั้นแล้วสเสด็จขึ้นปราศาสตร์พระเจ้าสุโธธนะมหาราชตรัสถามว่าเพราะเหตุไรโอรสของเราจึงสเสด็จกลับนายสารธิกราบทูลว่าเพราะทรงเห็นคนชราพระเจ้าค่าในขณะนั้นพระเจ้าสุโธธนะมหาราชทรงวันพระไยัยได้โปรดให้จัดกองรักษาการไว้ในสถานที่กึ่งโยชนะก็ จัดให้อารักขาออกไปอีกแปดกิโลเมตรนะนะถึงยอเนี่ยวันรุ่งขึ้นพระพธิษัทเสด็จไปยังพระราชอุทยานเช่นวันก่อนได้ทอดพระเนตรเห็นภาพคนเจ็บไข้ทนทุกข์ป่วยหนักนอนทุรนทุรายจมกองอุจจาระปัสสาวะของตนคนอื่นจะต้องช่วยกันพยุงให้ลุกขึ้นช่วยกันพยุงให้เดินซึ่งเทวดาเหล่านั้นเนรมิตขึ้นครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสถามนสารถีว่า นายสรถีสหายชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้ในตาทั้งคู่ศีรษะและกายของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆนายสารถีก็ทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าเป็นคนเจ็บพระบริสัทก็ตรัสถามอีกว่าสหายสารถีทําไมเขาจึงชื่อว่าเป็นคนเจ็บละ่ะนายสรถีก็ทูลว่าขอเดชะคนนี้เป็นอย่างนี้จึงชื่อว่าคนเจ็บพระเจ้าข้า พระบพิสัต์ก็ตรัสว่าสหายสารวทีถึงเราเองก็จะต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาหนีความเจ็บป่วยไปไม่พ้นกระนั้นหรือนายสารวทีก็ทูลว่าขอเดชะทั้งพระองค์และพวกข้าพระองค์ล้วนต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาหนีความเจ็บป่วยไปไม่พ้นพระเจ้าข่าพระบพิสัทได้ทรงสดับคำของนายสารถทีนั้นแล้วทรงดำริว่าอันความเกิดช่างน่ารังเกียจนะัก เพราะคนที่เกิดแล้วต้องเจ็บป่วยทรงมีพระไทยสังเวช ท, ทรงละความมุวเมาในความไม่มีโรคสเสด็จกลับจากสถานที่นั้นแล้วสเสด็จขึ้นกาศาสพระเจ้าสุโททนา m a h า r ได้ทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงวันพระไทยทรงโปรดให้จัดอาราขาเพิ่มขึ้นจัดกองรักษาการในสถานที่สามคาวุธโดยรอบก็คือนะก็ให้เพิ่มรักษาออกไปถึง12กิโลเมตรนะ สามขาวุธเนี่ยวันรุ่งขึ้นพระโพธิสัตว์เสด็จไปยังพระอุทยานเช่นเคยในทอดพระเนตรเห็นคนตายซึ่งเทวดาเนรมิตขึ้นเห็นหมู่มหาชนประชุมกันและกําลังใช้ผ้าหลากสีทําคานหามจึงตรัสถามจึงตรัสถามนายสารถีว่าสหายสารถีหมู่มหาชนประชุมกันใช้ผ้าหลากสีทำคานหามไว้ทําไมนายสารถีก็ทูลตอบว่า ขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนตายพระโพธิสัตว์ก็ตรัสถามอีกว่าสหายสารถีถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางคนตายนั้น น, นะก็จัดให้ขับรถไปตรงนั้นนะเพืจะได้ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนนายสาร ถ, ถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับรถขับราชรถไปทางคนตายนั้นขณะนั้นแหละพระโพธิสัตว์พ่อพระเนตรเห็นคนตายละโลกนี้ไปแล้วจึงตรัสถามนายสาร ถ, ถีว่า สหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทําอะไรให้ในตาทั้งคู่และทีตะของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆเขาไม่ลุกขึ้นไม่กระทําอะไรเลยนายสารถีก็ทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าเป็นคนตายในเวลานี้มารดาบิดาหรือยาสาวโรหิตอื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเขาอีกตัวเขาเองก็จะไม่ได้พบเห็นมารดาบิดาหรือยาสาวโรหิตอื่นๆอีๆอก พระโพธิสัตว์ก็ตรัสถามว่าสาหัสหาสารถีถึงเราเองก็จะต้องตายเป็นธรรมดาหนีความตายไม่พ้นส ม, มุติเทพระเทวีหรือพระประโยชน์อื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเราแม้เราก็จะไม่ได้พบเห็นสมมติติเทพระเทวีหรือพระประโยชน์อื่นๆกระนั้นหรือนายสารถีก็ทูลตอบว่าขอเดชะทั้งพระองค์และพวกข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องตายเป็นธรรมดา หนีความตายไปไม่พ้นพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีหรือพระประโยชน์อื่นๆจะไม่พบเห็นพระองค์แม้พระองค์ก็จะไม่ทรงพบเห็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีหรือพระปยุรญานอื่นๆพระเจ้าข้าพระมหาบุรุษได้ทรงสดับคํคำของนายสารถีนั้นแล้วทรงดาริว่าอันความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะคนที่เกิดแล้วต้องตายอย่างนี้ ทรงมีพระไทยสังเวช ท, ทรงละความเมาในชีวิตสเสด็จกลับจากสถานที่นั้นแล้วสเสด็จขึ้นปราสาทพระเจ้าสุโทธนะมหาราชตรัสถามเหตุที่สเสด็จกลับทรงโปรดให้จัดการอารักขาเพิ่มขึ้นจัดกองรักษาการในสถานที่ประมาณหนึ่งโยศเลยก็คือสิบหกกิโลเมตรออกไปเลยนะในวันต่อมาอีกวันหนึ่งพระโพธิสัต์เสด็จไปพระราชอุทยานในทอดพระเนตรเห็นบุรุษที่เทวดาเนรมิต ศีสะหลน้นนุ่งผ้ากาสาวะบวชเป็นบรรพชิตจึงตรัสถามนายสารพถีว่าสหายสารพีชายคนนี้ถูกใครทําอะไรให้ทั้งศีสะและผ้านุ่งห่มของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆืน่นนายสารพถีก็ทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าบรรพชิตพระโพิสัตวก็ตรัสถามตอบไปว่าสหายสารพถีทําไมเขาจึงชื่อว่าบรรพชิตนายสารพถีทูลตอบว่าขอเดชะ ผู้นี้คิดว่าการประพ well? yes ุธธรรมเป็นความดีการประพุธสม่ำเสมอเป็นความดีการกระทำกุศลเป็นความดีการกระทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดีการอนุเคราะห์หมูสัตว์เป็นความดีแล้วบวชเป็นบรรพชิตพระเจ้าค่าพระโพธิสัต์ก็ถามตรถามตอบไปว่าสหายสารถีผู้นั้นคิดว่าการประพติธรรมเป็นความดีการประพติสม่ำเสมอเป็นความดี การกระทํำกุศลเป็นความดีการกระทําบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดีการอนุเคราะห์หมู่สัตว์เป็นความดีแล้วบวชเป็นบรรปชิตดีนักแร่พระโพธิสัตว์ก็เห็นด้วยนะว่าการกระทําอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สมควรนะก็มีการคอยตามในเรื่องที่นายสาร ถ, ถีทูลต่อพระโพธิสัตว์นั้นนายสาร ถ, ถีย่อมไม่รู้จักบรรปชิต หรือคุณของบรณชิตเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นแน่กว่าจริงแต่นายสารถีกล่าวพรรณนาคุณแห่งบรณชิตว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าบรณชิตเป็นต้นได้ด้วยอนุภาพของเทวดาเพิ่งทราบว่านายสารถีกล่าวคำที่เหลือด้วยอนุภาพของเทวดาเช่นกันในครั้งนั้นพระโพ ธ, ธิสัตว์ทรงเกิดความพอใจในบรณชาทรงอธิษฐานจิตว่าวันนี้แหละเราจะบวช ทรงได้ความโสมนัสยินดีเสด็จเข้าพระอุทยานในวันนั้นเพราะเหตุนั้นพระพุทธรักษิตาจารย์จึงกล่าวว่าทรงเห็นบรรพชิตร้องเรียกอธิบายว่าทรงเห็นรูปบรรพชิตดุจจะเรียกคือร้องเรียกว่าจงมานี้จงบวชเหมือนเราก็พระพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีพระชนมายุจืนเมื่อเวลาล่วงไปทุกหนึ่งร้อยปีจึงได้เห็นเทวทูตแต่ละอย่าง ในบรรดาคนแก่เป็นต้นส่วนพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายเพราะทรงเกิดขึ้นในการที่มนุษย์มีอายุน้อยโดยร่วงไปทุกๆสี่เดือนจึงเสด็จไปยังพระอุทยานได้ทอดพระเนตรเทวทูตแต่ละอย่างตามลำดับโตงไม่ได้เห็นซ้อนๆกันทุกวันนี่นะแต่ว่าสี่เดือนอถึงเห็นครั้งหนึ่งพระโพธินนสัตว์นั้นทรงเล่นในพระอุทยานา น, านั้นตลอดทั้งวันทรงชื่นชมพระอุทยานแล้ว ทรงสนานในสบก h a ครณีเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตได้ประทับนั่งเหนือพื้นพระแท่นมงคลศิลามีพระประสงค์จะทรงให้แต่งพระองค์ลำดับนั้นวิสุกรรมเทพบุตรซึ่งเท้าสะกะจอมเทวดาทรงทราบพระไทยของพระพริษัตแล้วทรงใช้ให้มาทรงใช้ให้มาเป็นเหมือนก็ได้มาเป็นเหมือนช่างการะระบบของพระพริษัต ได้ถวายการประดับด้วยเครื่องอัจฉริยะทิพย์เมื่อนักดนตรีสับพระตาลาวจรแสดงปฏิพานของตนของตนแก่พระโพธิัพว์นั้นซึ่งทรงประดับเครื่องอัจฉริยะพร้อมสับแล้วเมื่อพวกพราหมณ์สรรเสริญด้วยท้ายคําเป็นต้นว่าชยนันดะขอจงทรงมีชัยขอจงทรงเพลิดเพลินและเมื่อผู้ถือสุตตะมงคลเป็นต้นสรรเสริญด้วยเสียงสรรเสริญโดยประการต่างๆ พระโพธิสัตว์ก็เสด็จขึ้นราชรถที่ประดับเครื่องอลังการพร้อมศักด์สมัยนั้นพระนางยโสธราเทวีประสูตรพระโอรสพระเจ้าสุโธธนะมหาราชจึงทรงส่งรัฐจึงทรงส่งราชสารไปด้วยรับสั่งให้แจ้งความยินดีแก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทรงสดับข่าวแล้วตรัสว่าบวงเกิดแล้วพันธนาการเกิดแล้วพระเจ้าสุโธธนะมหาราช ตรัสถามพวกมหาเล็กที่ไปตรงราชสารว่าพระโอรสของพระองค์ตรัสว่าอย่างไรแล้วได้ทรงสัตค์คำที่พระโพธิสัตว์รับสั่งออกมาจึงตรัสว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหลานของเราจงมีพระนาม ว, ว่าราหุลกุมารหมายถึงกุมารที่เป็นบวกนั่นเองฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็เสด็จฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็เสด็จขึ้นราชรถเสด็จกลับพระนคร พร้อมด้วยราชบริพารมู่ใหญ่ด้วยสิริโสภาอันรื่นรมยิ่งนักอันหน้ารื่นรมยิ่งนักในสมัยนั้นพระธิดาของพระเจ้าอาพระนามว่ากิสาโคตมีเสด็จดำเนินอยู่บนพื้นปร า, าสาททอดพระเนตรเห็นพระรูปสิริของพระโพธิสัตว์นั้นซึ่งกําลังเสด็จเข้าสู่พระนครแล้วทรงเกิดตีติโสมนัสขึ้นมาเองทรงเปล่งอุทานนี้ออกมาว่า บุตรเช่นนี้เป็นบุตรของมารดาคนใดมารดาคนนั้นก็เย็นใจแน่เป็นบุตรของบิดาคนใดบิดาคนนั้นก็เย็นใจแน่เป็นสามีของนารีคนใดนารีคนนั้นก็เย็นใจแน่คําว่าเย็นใจเย็นใจนี่คือนิปุโตนะแปลว่าดับนั่นเองนั่นก็คือดับความร้อนเร่าในใจได้พระโรธิตัตได้ทรงสดับอุทานนั้นแล้วทรงดําริว่า สตรีคนนี้ให้เราได้ยินคําที่กล่าวถึงว่าเย็นใจหรือว่าดับดับนิพุโตนิพุโตเนี่ยนะเราก็กำลังเที่ยวสแสวงหาความดับก็คือพระนิพพานวันนี้แหละเราควรจะละทิ้งคารวะวิสัยออกบวชแสวงหานิพพานพระโพธิสัตทรงส่งแก้วมุกดาหารซึ่งทรงเปลืองจากพระสอมีค่าหนึ่งแสนที่ก่อให้เกิดความยินดีอย่างยิ่ง ไปมอบให้เจ้าหญิงกิสาโคตมีด้วยตรงหมายพระไยว่าแก้มุกดานี้จงเป็นสการะส่วนบูชาอาจารย์สําหรับเจ้าหญิงองค์นี้นะก็นับถือว่าเป็นอาจารย์นะเพราะว่าให้ดิจได้ยินคําที่ไพเราะนะเพื่ออะไรทำให้ถึงความดับกิเลสทั้งหลายดับทุกข์ทั้งหลา ย, ลายเจ้าหญิงกิสาโคตมี น, นั้นทรงเกิดความโสมนัสขึ้นมาว่าพระสิท ธ, ธัตถูกุมารมีจิตปฏิพัทธ์ในเรา จึงทรงส่งบรรณาการมาประทานให้ก็เข้าใจผิดนะความจริงก็าบูชาเพราะคำนั้นเป็นคำที่เป็นธรรมะฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็เสด็จขึ้นปราสาทที่น่ารื่นรมย์อย่างยิ่งด้วยเครื่องอังการที่ให้เกิดสิริในขณะนั้นเหล่าสตรีรุ่นสาวมีดวงหน้างามดุจ ด, ดวงจันเพ็นมีริมฝีปากแดงดุจผลตำลึงสุก ม, มีฟันขาวสะอาดเรียบเป็นระเบียบไม่มีร่อง มีดวงตาเขียวครามมีมวยผมเขียวครามมีคิ้วโก่งเขียวจัดดังดอกอัญชันมีเต้านมอวบอิม่มเต็มเสมอด้วยอกแห่งหงใส่ตะปิ้งทองเงินและแก้วมณีงดงามอันก่อให้เกิดความยินดีมีตะโพกผึ่งผายคล่องแคล่วมีลำขาทั้งคู่เชกเช่นงวงกุญชฉรฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องและบรเลง มีรูปโฉมฉไยไรดุดนางเทพธิดาถือเครื่องดนตรีเสียงไพเราะพากันห้อมล้อมพระมหาบุตรให้ทรงรื่นเริงต่างฟ้อนรำขับร้องบรรเลงแต่พระโพธิสัตว์ไม่ทรงยินดีในการฟ้อนรำขับร้องบรรเลงเพราะทรงมีพระทยัยนายในกิเลสทั้งหลายทรงบรรทมหลับไปครู่หนึ่งเท่านั้นสตรีเหล่านั้นเห็นพระโพธิสัตว์ทรงบรรทมหลับแล้ว พากันคิดว่าพวกเราต่างฟ้อนรำขับร้องบรรเลงเพื่อประโยชน์แก่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระองค์ก็บรรทมหลับไปแล้วบัดนี้พวกเราจะลำบากไปเพื่ออะไรแล้วพากันนอนทับเครื่องดนตรีที่ต่างถือกันอยู่หลับไปดวงประทีปน้ามันหอมยังส่องสว่างอยู่พระโพธิสัตว์ทรงตื่นบรรทมประทับนั่งขัดสมาธิอยู่เหนือหลังพระที่บรรทม ได้ทรงเห็นสตรีเหล่านั้นนอนทับเครื่องดนตรีน้ำลายไหลแก้มและเนื้อตัวสกปรกบางนางก็กัดฟันบางนางก็กรนบางนางก็ละเมอบางนางก็อ้าปากบางนางก็ผ่าผ่อนหลุดลุย่ยปรากฏเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสถานที่คับแคบบางนางก็ผมหลุดยุ่งเหยิงนอนปรากฏนอนปรากฏดุดนอนปรากฏรูปดุดป่าช้าผีดิบ พระมหากษัตริย์ทรงเห็นอาการแปลกๆของสตรีเหล่านั้นก็ยิ่งทรงมีพระทัยนายในการทั้งหลายสุดประมาณเพื่อประสาทที่ประดับตกแต่งแม้งดงามดุดพบของเท้าสหัสัยก็ปรากฏแก่พระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ปฏิคูลอย่างยิ่งดุดปาช้าผีดิบที่เต็มไปด้วยซากศพสิรีรัก์ของคนตายที่คนนามาทิ้งไว้พบทั้งสามปรากฏเป็นดุดพบที่ถูกไฟไหม้ ทรงบนข้ามว่าอุ้นวายจริงหนอขัดข้องจริงหนอพระไทยก็นอมไปในบรรพชาฝ่ายเดียวพระมหาปรุษนั้นทรงดำริว่าวันนี้แหละเราควรจะออกบวชทรงลุกจากที่บรรทมเสด็จไปใกล้ประตูตรัสถามว่าใครอยู่ที่นี้นาารถีช น, นะนอนเอาศีรักพาด ธ, ธรณีประตูผ้านอนพาดธรณีประตูผ้าส่วนหนึ่งบังอยู่ ผ้าตนหนึ่งก็บังอยู่ทูลว่าข้าพระบาทสารถีชนะพระเจ้าข้าคำจริงก็เป็นมหาเก็กด้วยนะพระมหาศาสตร์ตรัสสั่งว่าวันนี้เราต้องการจะออกบวชเจ้ายาบอกให้ใครทราบจงจัดเตรียมม้าสินทบฝีเท้าดีตัวหนึ่งแล้วนำมาอย่างเร็วด่วนนสารถีชนะทูลรับพระดำรัสแล้วถือเครื่องแต่งม้าไปยังโรงมา้าเมื่อดวงประทศน้ามันหอมส่องสว่างอยู่ เห็นม้าฝีเท้าดีชื่อกันทกะย้ำยีข้าสึกได้ยืนอยู่ณภูมิภาคหน้ารื่นรมอย่างยิ่งภายใต้เพดานแผ่นดอกมะลิคิดว่าวันนี้เราควรเตรียมม้ามงคลตัวนี้เพื่อให้พระลูกเจ้าออกอภินิษฐกรมแล้วจึงจัดเตรียมม้ากันทกะไว้ม้ากันทกะนั้นเมื่อถูกจัดเตรียมไว้ก็รู้ว่าการจัดเตรียมนี้เป็นภาระหนัก ไม่เหมือนการจัดเตรียมในเวลาเสด็จไปทรงเล่นในพระพระในพระอุทยานในวันอื่นๆไม่เหมือนกับการที่จัดเตรียมในเวลาเสด็จไปทรงเล่นในพระอุทยานในวันอื่นๆพระลูกเจ้าจะเสด็จออกมหาพิเนศกรมในวันนี้อย่างไม่ต้องสงสัยมานี่ก็มีอุปนิสัยของความฉลาดติดมาด้วยนะ แม้ชาตินี้จะเป็นอหตุกะแต่ก็มีความสามารถมีความฉลาดากาดเปลืองเป็นม้าแสนรู้ในขณะนั้นม้ากัตกะก็ดีใจร้องดังลั่นเสียงร้องนั้นก้องกังวานไปทั่วทั้งกลุทั้งตงกบิรพัตแต่เทวดาได้ปิดกั้นไว้ไม่ให้ใครได้ยินเสียงพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าเราจะเยี่ยมดูพระโอรสก่อนจึงทรงลุกจากที่ประทับนั่งเสด็จไปยังที่ประทับของพระนางยโสธรา ทรงเปิดพระทวารห้องบรรทมในขณะนั้นดวงประทีปน้ำมันหอมส่องสว่างอยู่พระนางยาสุธราเทวีบรรทมหลับวางพระหัตถ์ไว้เหนือกระหม่อมของพระโอรสบนที่บรรทมที่โปรยดอกมะริเป็นต้นประมาณหนึ่งอัมพะพระโพธิสัตว์ทรงวางพระบาทที่ธรณีประตูประทับยืนทรงมองดูแล้วทรงดาริว่า ถ้าเราจะยกพระหัตถ์ของพระเทวีออกแล้วอุ้มโอรสของเราพระเทวีก็จะทรงตื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นอภินิษตกรมของเราจะมีอันตรายเราตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจักมาเยี่ยมดูโอรสของเราทรงกำหนดรู้ความรักบุตรมีพลังแล้วทรงกำหนดรู้โทษในภพทั้งหลายโดยอนเนกประการแล้วทรงกาหนดรู้อนิสงส์ในเนคขมมะ ทรงชักพระบาทที่ประปทับบนธรณีประตูออกแล้วสเสด็จลงจากปราสาทอันนี้ก็ขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์นะก็ยังสามารถที่จะพิจารณาโทษของอกุศลทั้งหลายในความรักบุตรซึ่งก็เป็นอาสาทะนะแล้วก็กําหนดรู้โทษในพบทั้งหลายอันนี้ก็เป็นอาทินวะแล้วก็ยังรู้อนิสงค์ของเนคข ม, มะซึ่งก็เป็นนิทรณะการออกเพราะฉะนั้นก็ ต้องมีพระปัญญาในการที่จะรู้เหตุผลความเป็นจริงซึ่งอริยสัตน์นั่นเองแล้วก็ทำให้ทรงชักพระบาทที่ประทับบนเหนือธรณีประตูนั้นก็เสด็จลงจากปราสาทไปพระโพธิสัตว์พระองค์ใดประทับอยู่ในปราสาทสามหลังนั้นดุจ ด, ดังเท้าสักจกอมเทศทรงละพระนางยโสธราผู้ทรงมีพระถันอันอวบอิ่มไป ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นผู้เสด็จไปดีแล้วพันน า, นาสมบัติของพระโพธิสัตว์ผู้ครองคาราวะาในคัมภีร์ชินารังการะที่ให้ความเพลิดเพลินแก่สาธุชนจบแล้วด้วยกระการฉ น, นิก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีจิตสมนัดยินดีในการที่ได้รู้ความเปลี่ยนไปของพระโพธิสัตว์ซึ่งก็ สรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราประกาศรพระสัจธรรมไปแล้วตสรูป้ปริญิพานไปแล้วให้เกิดความยินดีแล้วก็มีปิปีติประโมทในการที่จะน้อมนําคําสอนมาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งเมื่อสามารถบริบูรณ์ด้วยไตรสิกขาบา ร, รมีทั้งหลายบริบูรณ์ก็จะได้ตสรู้ตามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพ้นจากวัฏฏทุกข์โดยทั่วกันไว้ท่านทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์โดยพรานด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ